กรากัขบขาวว่าพระเทวนาิีวะเพื่อสัมผัส ค, ความมาัศจรารย์ทุกท่านขอเจริญพรญาติโยมผูส้สนใ่ในการศึกษาทุกท่านที่มาร่วมในงานเกออิดถึงการารับผังขันของขุณหลวงพ่อขมเขียนซึ่งเป็นพวแม่ครูอาจารย์ของพวกเราวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาส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 พ่อในหนังสือบอกว่าอยู่วัดป่าสุขโศ ต, ตอนนั้นเ้ากมาจำเรินป่าอ ย, อยู่ที่วัดวัดทามไาหวา น, นาก็ได้ไปพบกัทานทอาจารยรหวานท่านทานาจาร์รวานก็ก็ไปกาถึงว่าะท่านอาจะไปรย์หนคืนหนึ่งแต่ตอนเช้ากาลังนั่งขันข้างกัจได้เลยนั่ง้างอยู่ที่ปลาลาใหญ่ข้างหน้าเมื่อก่อนนี้ฉันข้างบนนล้นไม่ได้ฉันข้างล่าง ทังนข้างบนสาหลคือสารหน้าที่สุอกระโตกกำลังกันข้าวอยู่แั่ถ้าในการไปศาลเนึ่ปรากฏว่าหลวงพ่อเดินขึ้นไปบนศาลาแล้วก็เห็นพรีพุทธจำได้ว่าเหมือนในหนังสือที่ด้านหลังเนี่ยเชื่อว่านังสือว่าไม่มีไม่เป็ น, นก็เลยบอกเฮ้หลวงพ่อมาอเสร็จ แ, แล้วท่านในจารไปศาลก็บอกว่าหลวงพ่อครับพาะสองรูปเนี่ยมันจะโมก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 ไม่ใช่ลากยาวหลวงพ่อบอกว่าสิ่งที่พระ อ, อาจารย์ทำให้ท่านดูนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สมาธิเพื่อการตัดสรนมันได้อย่างมากแค่ความสงบมันไม่ได้เป็นไปเพื่อทำวิปัสสนามันได้อย่างมากแค่ความสงบแต่การทำวิปัสสนาหรือการทำสมาธิเพื่อการจะทำวิปัสสนาหรือการตัดสรนนั้นต้องให้มันเป็นแบบนี้คือตอนแรกที่พระ อ, อาจารย์ทาหลวงพ่อบอกว่า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 ความคิดชอบเขาชัดเจนอยู่แล้วนั่นหมายความว่าเราก็ต้องรู้เท่าทัานความคิดแต่ในความคิดชอบเป็นไงเ้าบอกว่าดำํำดิบในการที่จะออกจากกรรมดำดิบในการที่จะไม่มุ่งร้ายดำดิบที่ไม่เบียดเบียนถามว่าคนเราเนี่ยถ้ามันจะลุ่มหลงไปในรูปรสกลิ่นเสียงคือกรรมมาขุณทั้งหลายนะใจมันคิด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 ทุกครั้งที่เรารู้สึกทุกขณะของมันนั้นแต่ละขณะที่เรารู้สึกนั้นจิตของเราไม่ได้มีความโลภความโกรธความหลงใดๆเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวมันจึงเป็นกุสศลอย่างยิ่งทันทีมันเป็นกุสศลอย่างยิ่งเพราะในตัวเข้ามาเองที่มารู้สึกตัวนั้นมันไม่มีความโลภความโกรธความหลงใดๆมันรู้สึกมารู้สึกตัวมันรู้อยู่มันไม่หลง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 การที่เราสามารถแยกแกายแยกแจิตได้จากแต่เบื้องต้นจนกระทั่งแยกรูปแยกนามได้แล้วความตั้งมั่นตรงนั้นจะทำให้เรเห็นเด่นชัดขึ้นถึงการปรากฏขึ้นอย่างแจ่มแจ้งของสภาวะธทั้งหมดทั้งรูปธรรมและนามธรรมเพราะฉะนั้นในอริยมรรคข้อที่เจ็ดสัมมาสติจึงหมายถึงว่าเขามีสติที่จะเลิกรู้กายเวทนาจิตธรรม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 ในขณะที่เราปฏิบัติไปนะเราเห็นจิตที่มันแยกออกไปกลายเป็นความคิดอยู่เรื่อยๆมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ปารากฏขึ้นกับเราคือพวกนิวนรณ์ความต่างๆอารมณ์ต่างๆที่ปารากฏขึ้นได้มันก็จะทํามาลงด้วยเพราะถ้าเรามองดูดีแล้ว่ะตัวกายมีเวทนาแทรกออกมาขณะที่จิตก็มีทำมาลมแทรกออกมาลองสังเกตดูดีๆ ในกระบวนการการปฏิบัติถ้าเราพฝ้าสังเกตอยู่การขึ้นแบบนี้การเป็นอิกเราจะเห็นการปรากฏขึ้นทรไมธาตุที่มันไม่ใช่คนมันมันเป็นคนละตัวมันมีตัวเดียวกันแต่มันมีอาศัยซึ่งกันและกันใค<ม>รเวทนาคขาอาศัยกายเวทเป็นเวทีแสดงตัวปรากฏตัวออกมาครทอารมณ์ทั้งหลายทำอารมณ์ทั้งหลายก็า อ, าายาอาศัยปรากฏขึ้นที่จิตยกตัวอย่างง่ายๆของนิวนนรณ์ธรามนี่ที่มันปรากฏขึ้นมาให้เราเห็น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 โดยตามหลักของสติปัฏฐานทนันทีคือวิธรรมชาติสี่โครงการเวทนาจิตทัมที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเมื่อเรามีความรู้สึกตัวตั้งมั่นดีแรงเนี่ยความรู้สึกตัวที่จเจริญล้องามไปบนนี้มันจะทำให้จิตเราเป็นกลางเป็นการตอบการที่หเห็นธรรมชาติสี่โครงนี้ปรากฏขึ้นมาอย่างแท้จริง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 เวลาท่านสอนเนี่ยท่านบอกว่าหลงไปบ้างก็ช่างมานันรู้บ้างหลงบ้างช่างมาันยิ่งหลงแล้วกลับมารู้ได้เนี่ยยิ่งดีท่าน่ะยิ่งหลงแล้วกลับมารู้ได้เนี่ยละยิ่งดีเห็นเขาลับมีดไหมท่านวะเห็นเขาลับมีดไหมเห็นไหมเขาลับมีด ม, มันดันไปข้างหน้านแล้วมันดึงมาข้างหลังเห็นไห ม, มหลวง่อหลวงพ่อทำไมดูเห็นไหม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 แต่ถ้าคุณเรียนรู้อย่างที่มันเป็นนั่นคือการค้าความรู้สึกตัวไปเฉยๆแล้วสังเกตุ ม, มันอยากจะ่ม้นเป็นหลวงพ่อมีความละเอียดอ่อนกับการสอนลูกศิษย์ตอนที่พระอาจารย์ก็มาอยู่หลวงพ่อที่นี่ขอรักษาพ่ออาจารย์ขึ้นไปปีละครับปราบฏว่าหลวงตาทั้งหลายก็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 เขาแหงหน้ามองพ่อจ้าหลวก็่อสาหน้าหลวงพ่อสายหน้าเราก็เสร็จแล้วก็เดินลงมามาอุ้มมบาดหลวงพ่อหลวงพ่อพาเดินออกไปทางนี้ไปไปบินทบาดกับผมเดินตามหลังหลวงพ่อไปอุ้มบาดให้หลวงพ่อเจ้าชิดที่ทิเบตนะ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 บรรดังสะท้อนกล้องกระนขขูของเขาเงนเงแล้วก็เขาว่าเดี๋วตรวจมณนของเขาจดหนึ่งบทเสียงละฆังหายไปในหุบเขาขเขาก็จะอยู่ขึ้นมาใหม่บางหลวงพ่อเขาเดินคุยกับพระอาจารย์ไปพวกนนเราได้ข้คิดอะไร <c oughs> แล้วก็เดินฟังไปแล้วก็ก้มหน้าฟังเลยเราเราหลบพ่อกระรต้องการก่อนแน่รู้จะอะไรเช้าวันใหม่ขึ้นตีหลักหายใจเข้าลึกๆพัดลมหายใจยาวๆหยิบไม้ตีหลักังขึ้นมาด้วยความรู้สึกตัวกล่อยใจว่างๆไม่มีความปฏิฆะต่อเสียงของระครังไม่มีใจที่จะ ปฏิฆาตออกสิ่งใดแล้วปีออกไปด้วยการเหยียนแขนแบบไม่ได้เก่งกล้ามเนื้อใดๆไแล้วก็ปล่อยให้เสียงมันห่างไปแล้วก็ไปตีเสร็จมองลงมาลงพ่อพยักหน้าให้หนาเชิง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 แต่หลวงพอ่อกับปีสติที่จะควบคุมทุกอย่างแล้วทำให้จบนี่คือสติของหลวงพ่อขนาดนั้นนะท่านได้ทิ้งบทธรรที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้เราในวาระสุดท้ายนั้นหลวงพอ่อเทศด้วยการกระทำให้ดูแล้วมีสติทุกขณะแล้วก็จบลงอย่างงดงามอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์ ซึ่งหาดูได้ยากยากมากๆในช่วยชีวิตหนึ่งของเราที่เราจะพบเห็นผู้ที่มีสติเสี ak, ่อมเ้นและสามารถที่จะทำทุกอย่างได้อย่างเป็นปกติแม้ขณะที่ใกล้จะตายก็ชีมมาพูดทั้งหมดทั้งสิ้นก็เพื่อยืนยันว่า